ผิดคนเราก็เหมือนกับต้นไม้ถ่ายรดน้ำให้ปุ๋ยอยู่เรื่อยๆบำรุงอยู่โดยสม่ำเส ม, มอก็มีความสดชื่นดีและโตโ ต, ตขึ้นได้เร็วกว่าปกติธรรมดาที่ทิ้งไว้ถูกตาวโดยไม่บำรุงรักษาผิดใจเมื่อบำรุงรักษาอยู่โดยสม่ำเส ม, มอก็มีความ โ่องใสมีความสงบเยือก เ, เย็นเป็นลำดับลำดับไปถ้าขาดการบรุงมันก็เหมือนกับต้นไม้ที่ขาดจากการบารุงขาดระยะใดก็แสดงความอับเฉาขึ้นเพราะสิ่งที่จะทำให้อับเฉามันมีแท้หรือภายในจิตใจของคนเราอยู่แล้ว การบำรุงรักษาอยู่ด้วยจิตกับภาว น, นาโดยสม่ำเสมอจิตจึงมีความสงบร่มเย็นขึ้นเรื่อยๆเมื่อจิตมีความสงบความสงบกับความป่องใสก็เพิ่มเป็นไปในระยะเดียวกันเมืจิตมีความสงบ เราจะพิจารณาแต่จริงอะไรก็ได้เหตุไล้ผลพอเข้าออเข้าใจตามความจริงทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นมาทั้งภายนอกและภายในตัวเองหากจิตกําลังว่าวุ่นขุนมัวอยู่จะคิดอะไรก็ไม่ได้เรื่องทั้งนั้นแหละถูกก็เป็นผิดไปส่วนผิดก็ยิ่งเป็นผิดไปเรื่อยๆฉะนั้นท่านจึงสอนให้อรุรมภคตัวจิตจะได้มีความสงบร่มเย็นและผ่องใส มองเห็นเงาของตัวเหมือนกับน้ําที่ใสสะอาดมองลงไปในน้ํามีขวากมีน้ ำ, ม, ม, นำมีสัตว์อะไรอยู่ภายในน้ําก็เห็นได้ชัดแต่ถ้าน้ําขุ่นมองลงไปก็ไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นขวากเป็นน้ําเป็นสัตว์ชนิดใดที่อยู่ในน้ํานั้นไม่สามารถที่จะมองเห็นได้จิตใจก็เช่นเดียวกัน อะไรที่แสงอยู่ภายในจิตใจมากน้อยไม่สามารถที่จะมองเห็นโทษของมันทั้งๆ ท, ที่มันเป็นโทษที่ภายในใจขอ ง, ของเราตลอดมาแต่เราก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้เพราะจิตใจไม่ผ่งใสพิจารนาไม่เห็นจึงต้องอบรมจิตให้มีความผปรงใสแล้วก็เห็นเงาของตัว เงานั้นมันแสงอยู่ภายในจิตคืออาการต่างๆที่แสดงออกจากจิตนั่นแหละท่านเรียกว่าเงาและทําให้เราตื่นเราหลงอยู่เสมอด้วยเงาของเราเองได้แก่ความคิดความปรุงต่างๆที่เป็นไปโดยสม่งเสมอออกจากจิตอยูทุกเวัยร่ำเวลาทําทให้เราเผลอตัวไปได้ด้วยเข้าใจว่าสิ่งนี้ก็เป็นเราอันนั้นก็เป็นเราอะไรไม่จะเป็นเราหมดทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นเงามาใช่ตัวจริง แต่ความเชื่อถือหรือความหลงตามประนั้นมันเป็นความเป็นตัวจริงไปเสียมันจึงเป็นผลขึ้นมาให้เรารับความเดือดร้อนในลานี้ครูวาอาจารย์ทั้งหลายที่ขอรบบูชาเป็นที่ขอรพ บ, บูชาและเป็นหลักทางด้านปฏิบัติและทางจิตใจก่อนนับว่าปล่อยหลอลงไปโดยลำํำดับอสทยังมีชีวิตอยู่แม้แต่ท่านเองก็ไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้เกี่ยวกับเรื่องธาตุงมขัน สำรวจชุดชมลงไปโดยลําดับลําดาอย่างท่านเป็นขาวเป็นตนเห็นเห็นแล้วก็รู้สึกสุขสันตงเวชเหมือนกันในเรื่องธาตสําคัญถี่ถึงเวลามันเพียบแล้วก็เหมือนไม่เคยมีความแข็งแรงปล่งตังอะไรมาแต่ก่อนเลยนอนดูก็เป็นทุกข์นั่งอยู่ก็เป็นทุกข์อยู่ในยาบทใดก็เป็นทุกข์เมื่อถึงคราวทุกข์รวมตัวเข้ามาแล้วเป็นทุกข์กันทั้งนั้นแต่ ทุกของท่านผู้เช่นนั้นก็สอบแ่ว่าเป็นไปตามธาตุตาขันทางด้านจิตใจท่านไม่มีปัญหาอะไรกับเรื่องธาตุเหขันที่แสดงตัวนี่สำหรับพวกเรานั่นแหะมันคอยรับอยู่เสมอไม่ว่าทางด้านจิตใจไม่ว่าทางธาตุขันที่แสดงออกพิปรีดผิดไปต่างๆนานาคิตก็ผิดไปด้วยเป็นธาตุขันมีคนมีการจิตก็มีคนมีการไปด้วยทั้งๆ ท, ที่จิตก็ดีๆนั่นแหละเพราะความบันไหว ของจิตนันเองเนื่องจากสติปัญญาไม่ทันท่านจึงสอนให้อารมสติปัญญาให้มีความสามารถเกี่ยวกับให้ทันกับเหตุการ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตและอาการต่างๆที่มีรอบตัวได้แก่ขันแสดงตัวออกในอาการยิบผลิตอย่างไรก็ตามในส่วนใดก็ตามใ้จิตได้รู้เท่าทันกับสิ่งหล่า น, นี้อาจิตไม่รู้เท่าเฉยอย่างเดียว หลงไปตามสิ่งอนั้นเสียอย่างเดียวเท่านั้นก็คือเป็นการก่อทุกข์ให้ตัวเองอยู่ไม่หยุดไม่ถอยความทุกข์ก็ต้องทับถมเข้ามาทางจิตใจแม้ร่างกายจะเป็นทุกข์าตามเรื่องของมันในหลักธรรมชาติก็ตามแต่จิตก็ต้องประคั้นเอาอ น, นั้นมาเป็นทุกข์เผาล้นตนเองหากไม่ได้พิจารณาให้รู้ทันเปิด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 ปัญญาเป็นผู้ขี้คลายเป็นผู้พิจรารณาแล้วแก้ไขอารมณ์นั้นๆที่เกิดขึ้นภายในจิตเรื่องก่อนสงบลงไปแต่ถ้าขาดสติแล้วจะสืบต่อกันไปเรื่อยๆแม้ความคิดความปรุงจะเกิดขึ้นดับไปดับไปก็ตามแต่เรื่องสัญญาความสําคัญมั่นหมายนั้นจะไม่ดับต่อกันเป็นสายยาเวเหยียดทุกก็ต้องเป็นสายยาเวเหยียด แล้วก็มารวมอยู่ที่จิตเป็นที่รับเคราะกรรมทั้งหลายที่จะสังขารจะสัญญาคิดปุ่มขึ้นมาใจจึงเป็นภาชนะอันสําคัญสำหรับรับรองทั้งสุขและทุกข์ส่วนมากก็รับทุกข์ถ้าสติปัญญาไม่มีก็รับตั้งแต่ของเก๋ๆของทิ้งของใช้ไหมห่ได้ของเป็นพืชเป็นภายนั่นแหละไห้ภายในจิตใจถ้ามีสติปัญญาก็เลือกเฟ้นออก อันไหไม่ดีก็เลือกเส้นจับทิ้งออกไปทิ้งออกไปสลัดปัดทิ้งออกไปเรื่อยๆเหนือแต่สิ่งที่เป็นสาระอยู่ภายในใจิตใจใจก็เย็นใจไม่ได้เย็นด้วยน้ําภายนอกไม่ได้สุบด้วยสิ่งภายนอกแต่ใจเย็นด้วยด้วยอัดด้วยธรรม มีความสุขด้วยอดวยธรรมเหตุก็คือมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาการปฏิบัติต่อสินใดก็ไม่ยากยิ่งกว่าการปฏิบัติต่อจิตใจภาระทั้งโลกนี้มารวมอยู่ที่จิตใจ ขณะที่เราจะแก้ไขสิ่งที่มันฝังจมอยู่ภายในมาเป็นเวลานานนั้นเป็นเรื่องที่ยากอยู่มากดีไม่ดีก็อาจท้อถอยเพราะทำลงไปไม่ค่อยจะเห็นผลเนื่องจากจิตก็เลื่อนลอยในขณะที่ทำไม่ค่อยจดจ่อเอาจีิงเอาจังต่องานของตนที่ทำลงไปผลถึงไม่ค่อยได้ปรากฏเท่าที่ควร แล้วทําให้เกิดความท้อแท้อ่อนแอหรือเกิดความท้อถอยภายใ น, ในใจิตใจแล้วละทิ้งไปเสียโดยที่เห็นว่าหยุดจะดีกว่าเพราะทําไปก็ไม่เกิดประโยชน์เวลาหยุดไปแล้วมันก็ไม่ดีแต่ความต้องสําคัญต้องตนว่าดีกว่า น, นั่นหรอมันเป็นเรื่องของทิเหล็กที่มาหลอกลวงเราต่างหาไม่ใช่ความจริงถ้าเป็นความจริงแล้วตั้งแต่ทําอยู่มันยังไม่เห็นดี หยุดไปแล้วมันจะดีได้ยังไงถ้าอย่างว่าหยุดไปแล้วดีอันนี้คนทั้งหลายก็ไม่จําเป็นจะต้องดําเนิน ง, งานต่อไปเนี่ยมันหยุดไปแล้วมันก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกก็ต้องดีภายในยก็ต้องดีเช่นทําการทํางานทําไม่ได้มากหยุดจะดีกว่าถ้าอ usaha พยายามทําไปเรื่อยๆทําไมมันจะไม่ได้งานก็เป็นงานทุกผลที่ทําขึ้นไม่ใช่เป็นงานที่เสี่ยงงานจะเึิ่มปรากฏผลขึ้นโดยชัดเจนอยู่แล้ว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 นั่นคือความพอใจมันไหลไปเลยเหมือนกับาลัามันไหลลงทางต่ํำยากหรือไม่ยากมันก็ไหลมันไปอย่างนั้นเลยไม่ทราบว่ามันยากหรือไม่ยากแต่เวลาจะฝืนจิตฝืนใจนั่นมันก็เหมือนกับเราใส่ของเส้นไม้อะไรให้ขึ้นที่สูงหรือบังคับน้ําให้มันไหลขึ้นสูงที่สูงอะมันลําบากเพราะทวนกระแสการที่จะละ ความทุกข์ละสิ่งที่ใจชอบไปตามวิสัยของจิตที่เป็นวัตตะวนมันก็ต้องยากบ้างเป็นธรรมดาใครๆก็ยากแม้ท่านผู้สาเร็จนักผลนิพพานได้อย่างง่ายดายแต่ก่อนท่านก็ยากถึงขั้นที่ง่ายก็ต้องง่ายแต่เราเองถึงเวลายากก็ต้องยากแต่ไม่ใช่จะยากอย่างนี้อยู่เรื่อยไปถึงเวลาเบาบางหรือง่ายก็ง่ายเข้าไป ยิงได้เห็นผลเข้าไปโดยลําดัแบเบมื่อแล้วความยากมันก็หายไปเองเพราะมีแต่ถ้าจะเอาธาตุเดียวสุขทุบไม่คํานึงมีแต่จะให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจในสิ่งที่ตนต้องการแล้วขอทัาบการเรียนให้เรียนเรื่องธาตุเรื่องขันให้ดูเรื่องธาตุเรื่องขันที่เกี่ยวข้องกับตนนี่เป็นหลักสาคัญสำหรับนักปฏิบัติทั้งหลาย ให้ดูอยู่ทุกเวลาเพราะมันแปรยอยู่ทุกเวลาคาว่าอ น, นิจจังเป็นอ น, นิจจังอยู่ตลอดกาลคาว่าทุกขังก็เป็นอยู่ตลอดกาลอนาตาก็เป็นอยู่ตลอดกาลการพิจารณาจึงให้เห็นไปตามเรื่องของมันที่เป็นอยู่ภายในตัวของเราจนมีความจำเนิ่นจำนานหรือช่ำชองพิจารณาหลายครั้งหลายผลจิตก็เข้า อ, อกเข้าใจและเข้าซึ้งถึงใจแล้วมันก็ปล่อยวางของมันไปเอง ไม่ใช่แตพิจารณาครั้งหนึ่งครั้งเดียวลลลแล้วแล้วไปแล้วไปแล้วขอจะจะกรบกคุยเอาผลทั้งทั้งที่เหตุไม่ทําพอประมาณมันก็ไม่ได้นี่จากเราฝืนเราฝืนความจริงครูบาอาจารย์แต่และองค์ละองค์ที่ท่านได้ปรากฏชื่อหรือนามให้โลกทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาด้วยมาล้วนแล้วตั้งแต่ท่านลอดตายมาด้วยกันทั้งนั้น ถ้าเอาเป็นงานเบาๆท่านจะรอดตายมาได้ยังไก็ต้องเป็นงานหนักถึงทุ่มเทกําลังกันลงอย่างเต็มที่เวลานี้ก็ลอยหลอไปมากแล้วครูบาอาจารย์ผู้เช่นนั้นก็ดีมีน้อยเต็มที่เราวังพึ่งท่านท่านเรื่องทานเรื่องกานของท่านเขาเป็นอนิจจังพึ่งมาได้ทั่วการทั่วเวลาแล้วก็พัดทากจากกันไปดังที่เรา้เห็น อ, อยู่นี่แล้ว ท่านตง้งพยายามเอาโอวาทคำต่อสอนของท่านเข้ามาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนตนอยู่เสมอท่านสอนว่าอย่างไรให้นำโอวาทของท่านที่สอนไว้แล้วนั้นเข้ามาปฏิบัติต่ตอตัวเองก็เชื่อว่าเราอยู่กับครูกับอาจารย์ตลอดเวลาหรือเหมือนนั่งเท้าพระพุทธเจ้าได้เขาฝ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นหลักสําคัญที่เป็นความแน่ใจสําหรับเรา การาศัยครูอาศัยอาจารย์นั้นเป็นของที่ไม่แน่ได้ในบางการบางเวลาเรามีความพักท่าจากไปท่านเหมพัก ท, ท่ า, ภ า, ภ า, ภ า, ทาเร า, าก็พักท่าท่านหมจากเราก็จากเพราะโลกอนิจจังมีอยู่ด้วยกันทั้งท่านกับเราไม่คิดกันเลยสิ่งที่พอเราจะยึดเอาได้ก็คือยึดเอาหลักธรรมของท่านมาผพฤติปฏิบัติสำหรับตัวเองเอาจริงเอาจังให้เห็นเหตุเห็ผลเพื่อจะเอาชัยชนะภายในจิตใจ ชัยชนะอันนี้เป็นชัยชนะที่เลิศเปริศในโลกไม่มีชัยชนะใดเสมอเหมือนเลยการชนะตนคือกิเลสที่ถือว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นของเรานี่มาตั้งกับตั้งกันแล้วจึงเป็นเรื่องใหญ่โตมากเพราะถือมาเป็นเวลานานสั่งสมความว่าเป็นเราเป็นของเรามานี้นับกลับนับกันไม่ได้ถ้าว่าเป็นด้านวัตถุแล้วความตังสมมานานถึงขนาดนั้นเจ้าอะไรมาเทียบเราในโลกนี้ถึงใหใหญ่โตยิ่งกว่าก้อน กิเด็ดัญหาอาสวะก้อนเราก้อนว่าเราเป็นของเราอะไรแบบนี้มีมากมกกายกลายกองใหญ่โตมากเราจะมาถากมาเชือมาสับมาฟันเพียงขนต้องขนให้มันขาดไปนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้ต้องในทุ่มเทกําลังลงอย่างหนักหนาทีเดียวเนี่ยตอนนี้ตอนที่จะทิงชายชนะกันเอากรงใน เราเป็นนักปฏิบัติไม่ต้องทอ้อถอยต่อการลบกักกิเลสที่มีอยู่กับตัวของเราครําว่ากิเลสก็คือก้อนเรานั่นเองเราของเราอะไรๆเป็นเราทั้งนั้นนี่คือกิเลสแต่จะแยกให้เห็นเป็นชิ้นเป็นอันตามความสัตย์ความจริงในหลักธรรมชาตินั้นต้องแยกด้วยความภาคเพียนโดยทางสติปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์พิจารณากัน แยกธาตุธาตุกับธาตุซีเนี่ยธาตุซนั้นรู้กันเป็นโลกเป็นมโนสารแต่ว่าจะจะรู้ถึงใจทราบเช้งถึงใจจริงๆนั้นต้องทราบซึ้งด้วยภาพปฏิบัติคือพิจารณาด้วยปัญญาจนเห็นธัตเจนแล้วก็ซึ้งไปเองถ้าลงได้ซึ้งถึงใจแล้วไม่ต้องบอกมันปล่อยเองคือมันถึงใจเมื่อรู้อย่างถึงใจแล้วก็ปล่อยวางอย่างถึงใจถึงใจ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 ก็ก้อนธาตุอยู่แล้วข้าบอกมันวิญญาณก้อนธาตุเนี่ยถึงขึ้นมาสัมผัสก็อธาตุรูปก้อนธาตุเสียงก็อนธาตุธาธาตุอะไรๆมันก็เป็นธาตุแตงหมดต่อเป็นขันภายในตัวของเรานี่ก็รูปก็เป็นขันเวทนาก็เป็นขันสัญญาก็เป็นขันทั้งขานก็เป็นขันวิญญาณก็เป็นขันเนี่ยเป็นขันเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นชิ้นเป็นอันของเขาของเราอยู่ตามธรรมชาติของของเขาเราก็ให้รู้ว่าคือผู้รู้นี้ ที่จะต้องพิสูจน์พิจารณาให้รู้แจ้งจริงอย่างนั้นโดยไม่ไปยึดเอาเหล่านั้นมาว่ามันเป็นตนเป็นของตนจะเป็นพาดหนักมากขึ้นจึงต้องพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นชัดตามเป็นจริงของหม่แต่พาะ อ, อย่างยิ่งทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นภายในกายให้ทราบชัดว่านี่คือเวทนาเพียงเท่านั้นเราอย่าปตีความหมายให้มากมาว่าเวทนาเป็นเราเป็นของเราหรืออะไรเป็นของเราไปนั่นเป็นเครื่อง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 มันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่มันก็ดับไปมีเท่านั้นมีตั้งขึ้นมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่ว่าจะเวทนานอกเวทนาในแต่พ่ออย่างนี้เวทนาทางร่างกายพิจารณาให้เห็นชัดรูปก็เป็นรูปให้เห็นชัดอยู่ตั้งแต่วันเกิดมาเป็นอะไรอีกไม่เป็นอะไรเราจะเสด็จสรรพันยอว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นเจ้าข้ามหากษัตริย์หรือเป็นเจ้าขุนมูลนาหรือเป็นอะไรคนแน่แก่เถอะเหมือนว่าไปตามโลกสมุินิยมของโลกเป็นอย่างนั้น แต่ความจริงต้องเป็นความจริงอยู่วันนังคำทีนี้การพิจารณาของเราพิจารณาเห็นความจริงอันนี้รูปก็คือรูปรูปประขันนี่นี่ธาตุสื่ดินน้าลมไฟรวมกันเข้าเรียกว่าคนนี่เป็นชื่ออันหนึ่งว่าสัตว์ว่าญิงว่าชายแยกประเภทเออกไปเป็นชื่อเป็นนามไม่สิ้นไม่สุดแต่สิ่งที่คงที่ก็คือว่ารูปก็คือกองรูปนั่นเอง รวมทั้งหมดที่เป็นส่วนผสมนี้เรียกว่ากองรูปะรูปกายนี่เป็นความจริงนันหนึ่งแยกดูส่วนไหนก็เป็นความจริงของมันแต่ละส่วนละส่วนในขณะที่ประชุมปรนนี้หนังก็เป็นหนังเนื้อเป็นเนื้อเอเน็นก็ดูที่เราให้ชื่อให้นามเขาที่มันสืบต่อเนื่องกันอยู่โดยลำดับเป็นรูปเป็นกายขึ้นมานี่มันมีชื่อทุกสิ่งทุกอย่างเราอย่ไปลงชื่อลงนามข้งมัน ถ้าเห็นว่ารวมแล้วสรุปความรวมแล้วคือความจริงด้วยกันเป็นกองรูปนะเวทนาที่ปรากฏขึ้นเขาเป็นเวทนามันไม่ใช่รูปรูปไม่ใช่เวทนามีทุกเวทนาเป็นต้นเวทนาเป็นเวทนาจะตปนสุกขขึ้นมาก็ตามทุกข์ขึ้นมาก็ตามเฉยๆก็ตามมันเป็นเวทนาอันหนึ่งต่าหากของมนอันเห็นอย่างชัดเจนสองอย่างนี้สําคัญมากยิ่งกว่าสัญญาสังขญญงารหนึ่งอย่างนั้นเกิดกับ ดับพร้อมไปทุกระยะระยะแต่ทุกเวทนานี้ถึงจะดับมันมันก็มีเวลาชา้านานต่างกันพอเห็นได้ชัดในขณะที่ทุกเวทน า, นาทุกเวทนาเกิดขึ้นให้จับทุกเวทนานั้นเป็นเป้าหมายเป็นการเป็นจุดที่พิจารณาอย่าเห็นว่าเวทนานี้เป็นเราเป็นความผิดจากหลับความจริงจากเวทนานั้นเราจะไม่ทราบความจริงของเวทนานและ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 ท่านเปดียวว่าแยกดูให้ดีก็รูปมันเป็นรูปมันจะเป็นเหมือนจิตได้ยังไงเออจิตเป็นนามธรรมเป็นธรรมชาติที่รู้อันนี้ไม่รู้ธาตุอันนี้ธาตุไม่รู้ธาตุดินนี้ไม่รู้ธาตุน้ําก็ไม่รู้ธาตุลมไม่รู้ธาตุไฟไม่รู้แต่มโนธาตุนี่รู้เมื่อเป็นเช่นั้นมันจะเป็นอันเดียวกันได้อย่างไรเนี่ยแล้วทุกเวทนาก็เหมือนกันมันก็เป็นธาตุไม่รู้อันนั้นเป็นธรรมชาติอันหนึ่ง ถ้าไม่รู้กับท่านไม่รู้มันก็ต่างกันอีกเช่นเวทนากับกายมันก็เป็นคนละอย่างมันไม่ใช่อันเดียวกันจะให้มันเป็นอันเดียวกันได้อย่างไรการแยกการแยกในขณะที่ือพิพจารณาเวทนาดูให้เห็นชัดตามจริงเราไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องกลัวตายความตายไม่มีในกิตเราจะ่ไปสงสัยจะไปสร้างขวากสร้างน้ําตักตนเองให้เจ็บแสบเดือดร้อนความตายมันไม่มี ในจิตนี้ไม่มีความตายนี่แต่ความรู้รวนๆความตายไม่มีในจิตนี่เป็นสิ่งที่แน่นอนตายตัวร้อยเปร์ความสําคัญว่าตายนี่เป็นเป็นเรื่องความเสศสันต์บั้นดอขึ้นมาให้แก่กจิตด้วยอํานาจแห่งความหลงของจิตชัดเองเป็นผู้เสศสันต์บั้นดอขึ้นมาหลอกตนเองอีกชั้ น, นหนึ่งเมื่อพิจารณาเข้าไปตามความจริงแล้วจิตไม่ใช่ของตายแล้วจะไปกลัวตายหาอะไร คำว่าตายนั่นคืออะไรเราก็ทราบวะนั่นสลายลงไปเช่คนค น, นมีชีวิตอยู่นี้พอหมดลมหายใจเขาเรียกว่าคนตายนั่นคือผู้รู้แยกตัวออกไปจากธาตุอ น, นั้นธาตุ น, นั้นเลยมีแต่แต่กายเฉยๆมีแต่รูปธาตุเฉยๆเวทนาก็ไม่มีแล้วสิีแต่กายนั่นเขาเรียกคนตายความจริงมันไม่ได้ตายฉันจะให้พิจจันนาดูให้ชัดเราไม่ต้อง สร้างเรื่องความตายขึ้นมาปักปันเสด็จดนหรือมาขีดขวางทางเดินของเราเพื่อความรู้จริงให้จริงด้วยการพิจารณามันจะทุกข์มากทุกน้อยขนาดไหนให้กำหนดดูให้ดีในเรื่องความทุกข์นั้นเอาความทุกข์นั้นแล้เป็นหินนักปัญญาแยกทุกข์ขยายทุกข์ออกกับจิตแยกจิตออกจากทุกข์เทียบเคียงกันให้ได้ทุกจัตุกส่วนในขณะที่พิจารณาอยากให้เผอไปไหนอา้าวจิต เดี๋ยวจะตายตามสมมุติของโลกจะตายในขณะพิจารณาก็ให้รู้ว่าอะไรตายก่อนอะไรตายหลังเวทนาดับไปเมื่อไหร่และจิตนี้จะดับไปเมื่อไหร่จะดับไปไปที่ไหนจิตนี้เพ่อธรรมชาติของจิตไม่ใช่เป็นของดับเราจะไปบังคับให้จิตดับได้อย่างไรพิจารณาดูให้ดีนี่ยท่านเรียกว่าสร้างปัญญาให้เห็นความจริงทุกเวทนาจะเกิดขึ้นมากน้อยก็าตามในขณะนั้นจะไม่มีอาํานาจเข้ามา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 ทุกเวทนาตั้งขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่ใช่เป็นผู้ตั้งขึ้นเป็นผู้ดับตั้งอยู่ดับไปเหมือนเวทนาเราพิจารณาอย่างนี้นี่คือเข้าที่ทับขัดให้พิจารณาอย่างนี้เราไม่ต้องกลัวตายนักรบเรื่องกลัวตายไม่ใช่ทางธรรมของพระเจ้าเรื่องกล้าหาญต่อความจริงนี้เป็นทางธรรมเป็นหลักตัอขาดธรรมที่เราไม่ชอบจะให้ดําเนินตามความจริงนี้ตายก็ตาย เรไม่ต้องกลัวเพราะจิตไม่ได้ตางแต่จะขอให้ให้รู้สิ่งที่มีอยู่กับตัวว่าอะไรที่แสดงขึ้นเวลานี้คือทุกขเวทนาเป็นต้นมันเป็นอย่างไรทุกขเวทนาดูเห็นตามความจริงเมื่อทราบตามความจริงแล้วทุกขเวทนาก็สักแปลว่าเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นไม่ปรากฏว่ามีความหมายในตนเองหนึ่งและไม่ปรากฏว่าไปเป็นข้าศึกตอผพูดอะหนึ่ง เป็นความจริงของมันที่แสดงขึ้นมาตามหลักธรรมชาติของมันเองกายก็เป็นความจริงของกายที่ปรากฏตัวขึ้นมาตามหลักธรรมชาติของตนจิตก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่เป็นความรู้ประจําตนไม่ไปคาดเท้ากับสินใดเมื่อพิจารณารู้รอบแล้วจิตก็ถอนตัวออกมาเป็นความจริงของตัวโดยสมบูรณ์ทุกเวทนาเขากะมีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติของเขากายก็มีธรรมความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ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 เอาเวทนานั้นเป็นสนามรลกเป็นหินรับปัญญาเป็นสถานที่รับปัญญาให้คมกล้าขึ้นด้วยการพิจารณาแยกแยะทุกเวทนาที่เกิดขึ้นแยกแยะดูการแยกแยะดูเวทนาอันใดจะดับก่อนดับหลังก็ให้ทราบตามความจริงของมันมันมีความเกิดมีความดับอุปจําตนของมันมีแล้วเราจะรู้ก็ตามให้รู้ก็ตามสิ่งอันนี้มีเป็นหลักธรรมชาติของตัวเองอยู่อย่างนั้นเป็นแต่เพียงว่าเราจะให้พิจารณาให้เห็นตามความจริงของมัน ไม่ปีนเกียวกับทําแล้วเราก็อยู่สบายอาจะตายก็ตายสีตามโลกสมมุนิยมว่าตายตายมันเป็นยังไงเรียวกว่าตายมันแตกเอาแตกปลายงาอะไรสลายสลา ย, ล, ายลงไปผู้ไม่สลายอยู่นั่นอะไรไม่สลายคือจิตเะี่ยสร้างปัญญาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ขึ้นภายในตัวเองแล้วมันเป็นอย่างไงไม่มีความหวั่นไหวต่อความล้มความตายเรีว่าจิตมีความแก้กล้าสามารถ ในการพิจารณาเรื่องของตัวเองคือเรื่องของจิตพิจารณาเช่นนี้เราไม่ต้องกลัวกลัวไปทําใหม่พระพุทธเจ้าไม่สอนให้กลัวทําไม่สอนให้กลัวความกินก็ไม่ไม่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะเป็นความกินจะน่ากลัวน่ากล้าที่ตรงไหนกล้าก็ไม่ไม่น่ากล้ากลัวก็ไม่น่ากลัวนี่หมายถึงความกินล้วนแล้วแต่การพิจารณานี้ต้องมีความข้าหาร เพื่อดําเนินเอาชัยชนะเข้ามาสู่ตนไม่มีความกล้าหาญไม่ได้ในเวลาดําเนินมากต้องมีความกล้าหาญหรืออาจหาญองค์อาจไม่พรั่นพึงหวันไหวกับสิ่งอะไรทั้งหมดสิ่งใดที่ผ่านเข้ามาจะพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจทั้งนั้นไม่มีความท้อถอยอ่อนกําลังมีแต่ตั้งหน้าจะพิจารณาให้รู้ให้เห็นตามความจริงของมันทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในกระแสแห่งความรู้นี่ชื่อว่านักครบ การกล้าหาญกลหารอย่างนี้เป็นความถูกต้องเมื่อเวาถึงจุดหมายปลายทางแล้วความกล้าก็หายไปความกลัวก็หายไปเพราะเข้าถึงขั้นผลอนมบูุ์แล้วความกล้าความกลัวนี้ไม่ไม่มีปัญหาคือหมดความหมายไปเองแต่ลานี้ความกล้าความกลัวนี้เป็นปัญหาอย่างยิ่งสําหรับผู้ดําเนินจึงต้องสร้างความกล้าขึ้นด้วยเหตุด้วยผลที่ควรกล้านละเป็นนักต่อสู้ในสิ่งที่ควรจะสู้มีทุกคเวทนาเป็นต้นให้เห็นตามความจรินของมัน อย่าไปกลัวพระพุทธเจ้าไม่ไม่สอนให้กลัวกลัวก็ดีก้าก็ดีความตายมีเท่ากันถึงวันแล้วต้องแตกต้องสลายท่านเรียกว่าความตายแต่ยังไงก็ตามนักปฏิบัติให้รู้ก่อนสิ่งอันนี้จะแปรสภาพลงไปคือรู้ด้วยปัญญาเอาตาข่ายคือปัญญากางไว้หมดอะไรแสดงออกไปก็ไปติดข่ายคือปัญญาทั้งหมดทั้งนั้นแล้วจะวันไหนไปไหนจะเอจเย็นไปไหนจะตกตะที่ไหนเพราะเป็นไปตามความจริงที่ได้พิจารณาไว้แล้ว นี่นักรบท่านพิจารณาอย่างนั้นอยู่ในท่ามกลางแห่งขันที่เป็นไฟทั้งกองท่านก็เป็นความร่มเย็นเป็นสุขดุบโดยปกติของจิตที่รู้รอบขอบชิดแล้วไม่เอ็งไม่เอีย ง, ไ ม, ยงไม่หวั่นไหวไปตามอาการอะไรทั้งหมดนี่ชื่อว่าผู้รู้รอบอาการเมื่อทนได้กับทนไปพอทนกันได้ก็ทนกันไปปฏิบัติรักษาบำรุงกันไปเยียวยากันไปพากินพานอนพ ดื่มรักษาันไปตามธรรมชาติของมันเมื่อมันไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วยังไงก็มีแต่จะไปถ้าเดียวก็ปล่อยเท่านั้นนี่คือความจริงจะฝืนมันได้ยังไงปล่อยตามความจริงนั่นแหละชื่อว่าล่อยด้วยความรู้เป็นไปตามความจริงจิตก็ไม่หวั่นไหวจิตไม่อะไรไม่เสียดายนี่คือหลักของการปฏิบัติที่จะให้ได้ชัยชนะ ภายในจิตใจของตนเองเพราะจิตนั้นแพ้กับกิเลสตัณหามาตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่เคยชนะมาเลยตั้งแต่กรำไหนกันในดูต้าหน้าแห่งความชนะของกิเลสหรือเรานอนจมอยู่กับความแพ้ตลอดคราวนี้เราจะคลิกตัวของเราโดยอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องต่อราบปามกิเลสอาสวะซึ่งเคยชนะนํามาตลอดหรือเป็นเจ้าไหนเจ้าใหญ่หนายโต ในวัฏจกักรบังคับปิกังเราให้ไปสู่ที่นั่นที่นี่คราวนี้เราจะตั้งหน้าสู่ให้เห็นความจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เป็นชัยชนะคว้าเอาชัยชนะจากความที่เคยแพ้นั้นมาครองเป็นของตัวด้วยอำนาจของสติปัญญาตัดทาความเปลี่ยนไม่ลดละนี่คือผู้ได้ถึงแดนแห่งความาเกษมนี่คือผู้ได้ถึงแดนแห่งความชนะอันเลิศประเสริฐ คือชนะตนผู้เดียวนี้เท่านั้นเป็นผู้พะสริฐภายในตนของตนตั้งแต่ขนาดนั้นแล้วขึ้นชื่อว่ากิเลสเป็นอันว่าหมดปัญหาไปโดยสิ้นเชิงสิ่งที่จะมาก่อควรจิตใจให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนดังที่เคยเป็นมานั้นเป็นอันว่ายุติหรือว่าขาดกันไปเป็นคนโลกที่กล่าวมาทั้งหมดนี้อย่าลืมว่า ความเพียรเป็นสําคัญเป็นเครื่องสนับสนุนสติปัญญาเป็นผู้ก้าวหน้าทํางานปัญญาเป็นสำคัญมากที่ต้องพิจารณาค้นคว้าในให้เห็นเหตุเห็นผลสติเป็นผู้บังคับงานอย่าให้เถอะเมื่อปัญญาได้พิจารณาเห็นแจ้งตามไปกินในต่างส่วนต่างๆมือขันห้าเป็นต้นเนี้ชี้เล็ดจะไหลเข้าไปสู่ภานจิจนั้นหมด ไม่มีทางยึดไม่มีทางเกอะเพราะถูกทําลายที่ผายป่นปี้ไปด้วยปัญญาแล้วนอกจากนั้นก็เข้าตีต้นในจุดที่ไล่ค่าสึกเข้าไปรวมแล้วให้กระจายออกภายในใจิตใจไม่มีอะไรเหลือนั่นทันวัดพิเรศตายตายที่กรงนั้นแหละตายที่กรงมันมีกับใจนั้นแหะมันอาศัยที่น่ะมาเสื่อมอํานาจหรือคิดหายตายแล้วก็ตายไ ป, ไปที่นั่นด้วยอํานาจของสติปัญญาที่ทันสมัย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 ปัจจุบันรู้เท่าทุกสิ่งทุกอย่างรู้เท่าทันหมดเป็นผู้หมดเรื่องหมดรามี่ท่านเรียกว่าถึงนิพพานทั้งไปทีนี่เที่ยงแน่และจิตอาการทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยหลอกลวงจิตนั้นไม่มีเหลือแต่ความรู้ร้นล้วนขันแม้จะปรุงแต่งขึ้นมาตามธรรมชาติของมันที่มีอยู่ในขันต่างๆ ดูประคันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขนาันมันก็แสดงอยู่ตามเรื่องของมันซึ่งไม่มีความหมายอะไรเลยรูปมันก็มีอาการแสดงประตามเรื่องของมันเวทนาทุขทุกข์บ้างที่ปรากฏในขนันก็แสดงประตามเรื่องของมันสัญญาความจําได้หมายลูกก่อนเป็นไปตามเรื่องของมันสังขารความปรุงก็ปรุงตามเรื่องของมันวิญญาณความรับรูบ้รนะเมื่อสิ่ง ภายนอกเข้ามากระทบตาหูจมูกลิ้นการกิดมันก็นับทราบระดับไปดับไปตามธรรมชาติของมันโดยไม่ยังจิตใจให้กำเริดเหมือนอย่างแต่ก่อนเพราะสิ่งที่จะส่งเสริมจิตใจให้กำเริดนั้นได้ทำลายได้ถูกทำลายทั้หมดแล้วไม่มีอะไรเหลือจึงเรียกว่าเป็นขันลรุนร้วนวนี่คือพูดถึงปณินพธา น, านอยู่ในหว่างแข่งขันลรุนร้ว น, วนถึงนิพพานทั้งเป็นมาจากจิต ท, ที่บริสุิ์ ท่านไม่ถามละที น, นีอนิพานอยู่ที่ไหนจะไปถามหาอะไรตัวนิพานคืออะไรคำว่า น, นิพานก็คือชื่ออันหนึง่งธรรมชาติที่ให้ชื่อว่า น, นิพานนั่นแหละคือตัวจริงแท้ตัวจริงนั้นเมื่อถึงตัวจริงนั้นแล้วจะไปถามหาชื่อหาเสียงหาร่องหารอยไปไหนอีกไปงมเงาไปที่ไหนอีกไม่งมผู้รู้จริงๆแล้วไม่งมไม่อยากไม่หิวถึงความพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วโดยสมบูรณ์อ อาการแสดงธรรมก็เห็นมาาสมควรขอให้ผผู้ปฏิบัติทัง้งหลายนำปะพินพิจาณาให้เห็นความจริงดังที่กล่าวมานี้เราจะเป็นผู้สมบูรณ์ดังคำที่พูดนี้โดยสมบูรณ์ภารติใจของเราอารยุติ